ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอาถรรพสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคัมภีชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรกิตาจารย์ชาวสีลังการจนาต่อไปก็จะเป็นการแสดงความรู้ในเรื่องของนิยะซึ่งก็มีแสดงไว้อย่างละเอียดในคัมภีเนติปกรณ์แต่ว่าท่านพุทธรกิตาจารย์ท่านก็ นำมาแสดงในที่นี้ด้วยแสดงในสามในบรรดาในทั้งสามนั้นที่ชื่อว่านันทิยาวตตไนคือในที่แสดงการหมุนเวียนของตันหาอันชื่อว่านันทีดุจ ด, ดอกนันทิยะคือดอกเส้นคือในนี้เหมือนดอกนันทิยะบางที่ก็แสดงว่าเหมือนกับดอกพุทธนะ มีเกลียเวียนสลับซับซ้อนมีมีเกลีเวียนซ้อนนะกันอยู่ภายนอกวนวนส่วนแกนที่อยู่ภายในอีกอย่างหนึ่งชื่อว่านันทยาวัตยัยคือในที่มีการเวียนแห่งตันหาชื่อว่านันทีหรือแห่งความปราโมทในอนุษย์งามด้วยส่วนสามส่วนมีในอนงดงามด้วยส่วนสามนะ ในส่วนสามส่วนมีโลภะเหตุเป็นต้นในฝ่ายสังกิเลตและด้วยส่วนสามมีส่วนสามส่วนมีอะโลภะเหตุเป็นตน้นนี่ก็เป็นฝ่ายโวทานและฝ่ายอาสังกิเลตก็คือโลภะโทสะโมหะฝ่ายโวทานก็คืออะโลภะอโทสะโมหะนี้เป็นนันทิยาวัตถนายเป็นการเวียนไปของการแสดงชื่อว่าติปุกคลนาย อ่ออ๋อโทษกราบุคคลในแล้วก็ในชื่อว่าสีหะวิกีลิตะในในมีการยื้งกลายของราชสีห์ของสีหะก็แสดงวิปลาศแล้วก็ทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อวิปลาศนั้น โดยอธิบายว่าพระผู้มีพระเจ้าทรงเป็นประโุชสีหะเพราะทรงประกอบด้วยความไม่สะดุง้งความเร็วความพยายามเป็นต้นพระผู้มีพระเจ้านั้นทรงมีการแสดงคือถ้อยคำที่เป็นพระวาจาดุจการเยืงกลายของสีหะด้วยเหตุ น, นั้นท่านจึงกล่าวว่าในที่นําตัณหาออกไปกาจัดตัณหาด้วยสมณฐะแนะนําอวิชชาออกไปด้วยวิปัสสนา ประกอบเป็นสัจจะทั้งหลายชื่อว่านันดิยาวัตไนในที่นำอกุศลมูลและกุศลมูลไปเป็นสิ่งที่จริงแท้ไม่แปรผันบัณฑิตผึงรู้ในทั้งหลายเรียกว่าติปุกคละในในที่นำสังกิเลต ก, กับวิปลาสและสัตธรรมกับอินทรีไปบัณฑิตผู้รู้ในทั้งหลายเรียกว่าสีหาวิกีริตะใ น, นนี่ก็แสดงยอด่อกันไปแล้วก็อาจารย์ดูใน นัยยะสังเกตในสัมพีเนติปรกรณ์นะเอามาช่วยแสดงเทียบเียงกันในเนติปรกรณ์แปลโดยคุณารักนกพคุณท่านแสดงนัยยะสังเกตไว้สังวนาพิเศษที่นําตัณหาและอวิชชาเข้าไปในฝ่ายสัมพิเลสแนะนําสมถะวิปัสนาเข้าไปในฝ่ายโวทาน โดยประกอบสัจจะทั้งสี่นี้ชื่อว่านันทิยาวัตนายนะในที่มีการเวียนไปเหมือนกับดอกพุธเวียนขว า, าไปเหมือนกับดอกพุธก็คือนามตัญหาวิชาเข้าไปในสังกิเลอแล้วก็สัมพัทธวิปัสนาไปนในฝ่ายของโวทานแล้วก็ประกอบสัจจะสี่นี่เรียกว่านันทิยาวัตนายสังวันน า, นาในโดย นำอกุศลธรรมทั้งหลายพร้อมทั้งมูลของตนก็คือโลพาโทสะโมหะไปสู่ฝ่ายสังกิเลตและนำกุศลธรรมทั้งหลายพร้อมทั้งกุศลมูลก็คืออะโลภ า, าอะโทสะอะโมหะไปสู่ฝ่ายโวทานโดยประกอบสัจจะทั้งสี่อย่างแท้จริงไม่ผิดพลาดท่านเรียกในนั้นว่าติปุกละในส่วนสังวร น, นาใดสังวร น, นาในใดย่อมนำ กิเลสธรมทั้งหลายไปด้วยวิปัสสีและนำปฏิบัติปติเวสสัตธรรมทั้งหลายไปด้วยอินทรีหนะ้าถ้าฝ่ายสังกิเลก็เป็นไปด้วยวิปาัาสถ้าฝ่ายโวทานก็เป็นไปด้วยครอบฏิบัติอนะ่าปฏิบัติปฏิเวสด้ว ย, วยอินทรีหนะ้าแล้วก็มีศรัทธาเป็นต้นโดยประกอบกับสัจจะทั้งสี่บัณฑิตผู้รู้ในนี้เรียกในนี้ว่า สีหาวิกีฑ์ตะในส่วนอีกสองในดังที่กล่าวแล้วเนี่ยท่านพุทธรักษิตอาจารย์ไม่ได้เอามาแสดงไว้ด้วยนะแต่ว่าในเนติปกรณ์ท่านก็แสดงไว้ว่ากุศลและอกุศลธรรมที่กล่าวไว้ในเวยากรณะคือการมิศัชนาอัตแห่งพระสูตรในพระบาลีนั้นๆย่อมถูกพิจารณาด้วยใจท่านเรียกการพิจารากุศลและอกุศลด้วยใจนั้นว่าดิสาโลชนะก็ะคือเหลียวดูทิศ ส่วนบุคคลที่จรนาทิสาธรรมเหล่านั้นด้วยทิสาโลจนะไนแล้วยกออกจากสูตรนำกุศลธรรมและอกุศลธรรมทั้งปวงไปเชื่อมต่อกันได้ดีในนี้ชื่อว่าอังกุษะไนก็คือเกี่ยวไว้ด้วยตะขอนะเกี่ยวไว้ด้วยตะข อ, อันนี้ก็เป็นไนยะที่ท่านแสดงอย่างสังเกตมีละเอียดก็มีเหมือนกัน ต่อไปนะในคาถาในคำพีเช่นนารังการาติกาในคาถาสามคาถานั้นในทั้งสามนี้มีมูลบทคือบทตั้งอธิบายสิบแปดบทได้แก่อกุศลบทเก้าอกุศลรบท9เก้า บ, บทนี้คือตัณหาอวิชชาโลภะโทสะโมหะสุภาสัญญาสุขาสัญญานิจจสัญญาอัตตสัญญา ธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งอกุศลทั้งหมดจัดเข้าในอกุศลระบทดังกล่าวกุศลระบทกุศลระบทเก้าบทนี้คือสมถะวิปัสสนาอะโลภะอะโทสะอะ โ, โมหะอสุภสัญญาทุกขสัญญาอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลทั้งหมดจัดเข้าในกุศลบทดังกล่าวในมูลบทสิบแปดบทนั้นมูลบทสี่บทนี้คือ ตัณหาอาวิชชาสมถะและวิปัสนาเป็นมูลบทแห่งนันทิยาวัตนนะก็นํามาแจกแจงก็คือตัณหาวิชาเป็นฝ่ายสังคิเลตธรรมถาวิปัสนาเป็นฝ่ายโวทานแล้วก็ประชุมลงในอริยสัจมูลบทหกบทนี้คือโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะเป็นมูลบทแห่งติปุกคละใน ในที่งดงามด้วยธรรมะสามอย่างสองฝ่ายนี่นะแล้วก็มูลระบบแปดบทที่เหลือเป็นมูลระบบแห่งสีหวิธีลิตตะในก็คื อ, อวิปรุราสีแล้วก็ฝ่ายไม่วิปุราชก็คือสติปัฏฐานสี่นั่นเองนันติยาวัตตะในสำหรับใช้กับอุคติตันยูบุคคลผู้มีปัญญากล้าแข็งชอบเนื้อความย่อติปุคละในใช้สาหรับ สำหรับใช้กับวิปชิตตัญยูบุคคลผู้มีปัญญาปานกลางชอบเนื้อความปานกลางสีหวิกรีก ร, กริตาในใช้สําหรับบุคคลผู้เป็นนัยะผู้มีปัญญาน้อยชอบเนื้อความอย่างพิสดารนะก็กลับกันในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้คนมีปัญญาน้อยแต่ว่าชอบเนื้อความย่อๆนะในในจิบุคคลรายโดยคุณนรักษ์อาจารย์คุณนรักษ์เนี่ยนะท่านก็สกแสดง อ่มูลบทไว้เหมือนกันอมูลบทก็คือนอกจากหาระสิบหกอย่างหาระนี้จะเป็นหลักในการพิจารณาพยัญชนะอแล้วก็ใน น, นัยนึงจะเป็นหลักของการพิจารณาอัฏฐะในสามอย่างเนี่ยก็คือนั น, นทิยาวัตนาติปุกขานาอแล้วก็สีหาวิธีเลตนาอิเนี่ยเป็นหลักในการพิจารณาอัฏฐะส่วนสองนยะที่เหลือเนี่ยก็คือ ที่สารโรจนะในกับอังกุสะนัยเนี่ยเรีย ก, ก่กรรมะมนัยหรือว่าโวหาระนัยนะเป็นเพียงการตรวจดูธรรมที่แสดงไปแล้วสําหรับมูลระบบที่แปดเนี่ยก็คือองกุศลบทเก้ากุศลระบบเก้านี่นะอกุศลร บ, บทเก้าก็คือตันหาวิชาโลภาโทสาโมหะสุภสัญญาสุขสัญญานิจักสัญญาอัตตะสัญญา ส่วนกุศลกุศลละบทเก้าก็คือสมถาวิปัสนาอะโลพาอโทสะอะโมหะอสุภสัญญาทุกขสัญญานิจัดสัญญาแล้วก็อัตตาสัญญานะอฝ่ายกุศลนี้เป็นสังกิเลสภูมิส่วนฝ่ายกุศลเนี่ยเป็นอินเริยะภูมิ อ, อินเริยะภูมิก็คือสมถาวิปัสนากุศลละมูลสามสติปฐานสี่ ของฝ่ายอากุษลก็ตัณหาวิชาแล้วก็อากุศลมูลสามแล้วก็วิป ร, ราส4แส้วก็ใช้เกี่ยวเนื่องกันนะสำหรับมูลระบบสิบแปดกับนัยยะสามก็เกี่ยวกับเรื่องของอัฏฐะต่อไปในทั้งสามนั้นนั น, นทิยาวตัตนัยใช้สอนบุคคลสามพวกนี้ก็คือ อุคติตัญญูบุคคลวิปชิตันญูบุคคนเนยยะบุคคลบุคคลสามพวกนี้มีจริตสองก็คือทิฏฐิจริตและตันหาจริตเฉพาะอย่างบรรดาบุคคลเหล่านั้นพวกบุคคลที่มีทิฏฐิจริตย่อมแนะนําได้ด้วยสุขาปฏิปทาคิปาภิญญาก็คือปฏิบัติง่ายแล้วก็รู้ได้เร็วด้วยคือกิเลสไม่กุ้มรุมและด้วยสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิบัติง่ายแต่ว่า รู้ช้านะเพราะว่ามีกิเิตกุ้มรุมบุคคลที่มีตัณหาจริตพวกบุคคลที่มีตัณหาจริตย่อมแนะนําได้ด้วยทุขาปฏิปทาทันทาพิน ญ, ญาก็คือปฏิบัติโดยยากแล้วก็รู้ได้ช้ามีกิเิตกุ้มรุมนะเอะถ้าเกิดปฏิบัติง่ายนี่รู้ได้ช้าในกิเลสไม่ไม่กุ้มรุมนะแต่ว่าเวลาจะตรรู้นี่ก็รู้ได้ช้าขณะจิตก็เกิดได้มากกว่า อ, อย่างเช่นในอ อนุโลมญาณเนี่ยอนุโลมญาณถ้าเป็นพวกที่รู้เร็วนี่จะมีขณะจิตมีอุปจาระอนุโลมโคตรรพูเท่านั้นถ้ารู้ได้ช้าก็เป็นพวกมีอนุโลมญาณสามขณะเลยเบียกรรมบริกรม ร, กรมอุปจาระอนุโลมแล้วถึงจะเป็นโคตรรพูนะก็รวมเป็นสี่อนี้ก็ในยะหนึ่งแต่อยู่ในยะหนึ่งก็หมายถึงวิปัสสนาญาณอย่างอ่อนเกิดได้เร็วหรือว่าเกิดได้ช้า อีกกหนึ่งก็วิัฒนาอย่างกล้าเกิดได้ช้าเร็วก็ได้เร็วอันนี้ก็เรียกว่ารู้ง่ายปฏิบัติได้เร็วหรือว่ารู้ยากปฏิบัติได้เร็วนะเพราะฉะนั้นสําหรับพวกที่มีตัณหาจริตย่อมแนะนําได้ด้วยทุกขาปฏิปทาทันทามิญญาปฏิบัติได้ยากจิตเด็กก้มรมแล้วก็รู้ได้ช้าหมายถึงว่าเวลาจะตัดรู้ก็ไม่เร็วอ่นะ และด้วยทุกขาปฏิปทาขิดปาพิญญาปฏิบัติยากด้วยแล้วก็รู้ได้ช้าด้วยกิเลสกุ้มรุมด้วยแล้วก็และจะตัดรู้ก็ขณะชิดก็เกิดมาบุคคลเหล่านั้นจัดเป็นสี่พวกตามปฏิปทาอย่างนี้ย่อลงอีกก็จัดเป็นสองพวกบุคคลสองพวกนี้ก็คือคนตันหาจริตแล้วก็คนทิฏฐิจริตมีสังกิเลสก็คือความเศร้าหมองนี้ชื่ออวิชฌานี้มีสังกิเลสความเศร้าหมองนี้ นใ น, ในพวกคนตัณหาจริตกติิจริตนี่นะสังกิเกตเหล่านี้ก็มีมากก็คืออวิชชาความไม่รู้ภาะวะปัญหาความอยากความอยากในภพอิจิริกะความไม่ละอายอนตุตตะปาความไม่เกรงกลัวอสติความไม่มีสติอสัมปพัชญะความไม่มีสัมพัชญะอโยนิโสบรรสุการการไม่ทําไว้ในใจโดยอุบายแยบคลายโกสัชะความเกียดคร้านโทวัจสะความเป็นผู้ว่ายา อาหางการการยึดถือว่าเป็นเรามะมังการความยึดถือว่าเป็นของเราอาสัต ธ, ธาความไม่มีศรัท ธ, ธาประมาทะความประมาทอาสัต ธ, ธรรมนสวรรคการไม่ฟังพระสัต ธ, ธรรมอสังวรความไม่สมรวมอภิชาความเพ่งเล็งอพยาบาทความคิดร้ายนิวรกิเรศถึงเครื่องกัน้นสัญโยตกิเลศผูกสัตว์ไว้ในภพโกทะความโกรธ อุปนาหะความผูกโกรธมาาัคขะความลบหลูปราศาติปราสามีความดูหมิ่นอิสาความริษยามาฉริยะความตรณีมานยาก็คือเจ้าเล่สาทยะความโอ้อวดสัสตตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงอุเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ในหมวดสองนี้บทที่หนึ่งทุกบทมีอวิชชาเป็นมูล บทที่สองทุกบทมีตันหาเป็นมูลดังพรรณนามาชะนี้เพราะฉะนั้นจะต้องจัดเป็นคู่ๆนะก็ไม่ได้แยกคู่ให้นะก็คือถ้าบุคคลที่เป็นตันหาจริต ก, กทิฏฐิจริตนี้อ่ามีทั้งกิเลตเป็นคู่ก็คืออวิชากับเพราะว่าตันหาอาวิชากับเพราะว่าตันหานะบอกว่าบทที่หนึ่งทุกบทมีอวิชาเป็นมูลแล้วก็ บทที่สองทุกบทมีตันหาเป็นมนูลอืมเพราะฉะนั้นตันหาจริต ก, กับทิฏฐิจริตความจริงแล้วทิฏฐิจริตเนี่ยจะมีอวิชชาเป็นมูลนะส่วนตันหาจริต ก, ก็มีเพราะว่าตันหาเป็นมนูลอ่าแต่ว่าเมื่อเอามาแจกอย่างนี้แล้วอ่ากิเลสต่า ง, างๆเครื่องสมองเหล่านี้เนี่ยถ้าไอคิวฤทธะก็ะมีอวิชชาเป็นมนูลอโนตตาปะมี เพราะว่าตัณหาเป็นมูลอส ต, ติไม่มีสติก็มีอวิชชาเป็นมูลอสัมมิชนญะก็มีเพราะว่าตัณหาเป็นมูลอายุนิโมสมนัสติการก็มีอวิชชาเป็นมูลโกสัตชะก็มีเพราะว่าตัณหาเป็นมูลอย่างนี้ไปนะก็ไม่ได้มาแยกให้ต่อไปบุคคลสองพวกนั้นมีโวทานบ้างนักสู้นี้ก็เป็นฝ่ายสังเลตตัณหาจริตกับทิฏิจริตเนี่ยนะ ฝ่ายววทานบ้างคือความผ่องแพ้วก็คือสมถะกาบวิปัสนาก็จะมีธรรมะที่เป็นฝ่ายตรงข้ามก็คือฮิริโอตต ป, ปะคู่หนึ่งสติและสมชิชญญะคู่หนึ่งโยนิโสมนัิการกับิริยารัมภะความภาคเพียนก็ตรงข้ามกับการคิดเกียดครานนะนะเมื่อมีโ ย, โยนิโสมนัสการก็ต้องมีความเพียนด้วยแล้วก็ อ่โศจสกความเป็นผู้ว่าง่ายอายานในธรรมามเป็นผู้ว่าง่ายนี่คู่กับอะไรล่ะก็ไม่ได้จัดคู่มาให้เนี่ยนะเพราะว่ายานในธรรมเนี่ยยานในธรรมเรียกว่าทำเมียญาณังนะยานในความคล้อยตามนะอันวิเยยานังก็หมายถึงยานในมรรคยานในผลนั่นแหละ ญาณในความสิ้นไปเยเยญานางอ น, นิญาณในมรรคญาณในความไม่เกิดขึ้นอีกอนุปาเดญานางกาญาณในผลศรัท ธ, ธาความไม่ประมาทการฟังศัทธธรรมความสำรวมสารวมก็สังวร น, นะแล้วก็ความไม่เท่งเลงอนาพิชาความไม่พยาบาทอัพยาบาทความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะคลายกำหนัดราคะวิราคะเจโตมุติเนี่นะ ความหลุดพ้นด้วยปัญญาอาวิชชาวิราฆะปัญญาวิมุตตินะอันนี้ก็เป็นวิปัสนาราคะวิราคะเจตวิมุตติอันนี้ก็เป็นสมถะการตัดสู่อภิสมโยความปรารถนาน้อยอภิชตาความสันโดสันตุิตาความไม่โกรธก็อโกธโนความไม่ผูกโกรธอนุปนาโหความไม่ลบลูอามัคโโ ความไม่ออวดอาศัยเถยยังอาศัยยังความไม่ดูหมิ่นก็อปิลาโสความไม่ริษยาก็อิศาปะหานังอิสาปะหานังการละควารริษยานะการละความริษยาอิศาปะหานังการละความตรณีมัชชาริยปะหานังการละอวิชาอวิชาปะหานังแล้วก็วิชาความรู้แจ้งวิมุตติความหลุดพ้นความหลุดพ้นจากอารมณ์ที่ปัจจัยปรุงแต่ง สังขารมณะวิโมโค uh. ความหลุดพน้นจากอารมณ์ที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งก็คืออสังข า, ารมณะวิโมโค uh. ความหลุดพน้นจากอารมณ์ที่มีปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยก็คือหลุดพน้นจากนิวรณต่างๆเป็นไปในสมถะไ ง, แ, งแล้วก็ความหลุดพน้นจากาสังาจากอารมณ์ที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็อสังข า, ารมณะวิโมโคเ uh. ป็นการหลุดพ้นที่รู้นิพานก็ด้เรื่อหน้าของวิปาาัสสนา แล้วก็สะัปปะฏิเศ ส, สนิพานธาตุอย่างหนึ่งอนุปปฎิเศ ส, สนิพานธาตุอย่างหนึ่งในหมวดสองนี้บทที่หนึ่งทุกบทจัดเข้าในสมถะบทที่สองทุกบทจัดเข้าในวิปัสสนาในทุกกะหมวดสองแห่งสังกิเลและโวทานนี้ทุกะนะหมวดสองทุกกมวดที่หนึ่งทุกหมวดย่อมละได้ด้วยหมวดสอง ก็คือในทุกกะหมวดที่หนึ่งทุกหมวดนะไอ้ทุกกะทุกกะของสังกิเลตเนี่ยละได้ด้วยทุกกะของโวทานก็คืออวิชากับพระวัตรหาละได้ด้วยสมถาวิปัสนาถ้าอาหิริกะอนตุตตะปะก็ละได้ด้วยหิริแล้วก็โอตะ ป, ปะอาสติอสมัมมิชญญะก็ละได้ด้วยสติสัมชญญมนญะอายุสโวมณสิการกับโกสชัชะก็ละได้ด้วยอยสุสโวมณสิการ์แล้วก็ ยริยาลัมภะเนี่ยอย่างนี้ไปนะรวมความว่าทุกกะทั้งหมดบัณฑิตพึงนำไปโดยเป็นตัวละก็คือปหายกะแล้วก็สิ่งที่จะต้องละคือปหาตัปพระตามลําดับเจโตมุติที่คลายกําหนัดเพราะละสังกิเลสทั้งหลายที่มีตัณหาเป็นมูลด้วยธรรมทั้งหลายที่มีสมถะเป็นมูลอย่างนี้ปัญญาวิมุตติที่คลายอวิชชาได้เพราะพระกิเลทั้งหลาย ที่มีอวิชชาเป็นมูลด้วยทำทั้งหลายที่มีวิปัสสนาเป็นมูลวิมุตติทั้งสองประการนี้นับเนื่องในนั น, นทิยาวัตตะในด้วยประการชนี้ทั้งการแสดงให้ละเอียดหน่อยหน่อยหนึ่งก็นำมาจากในติประกรณ์นะเนติบาลีบรรดาในทั้งสามนั้นติปุกขณ น, นัยคือบรรดาบุคคลสี่จำพวกโดยการจำแนกด้วยปฏิปทา บุคคลที่แนะนำได้ด้วยสุขาปฏิปทาขิปปาพินญาคือปฏิบัติได้ง่ายแล้วก็รู้ได้เร็วชื่อว่าอุคติตัญญูบุคคลบุคคลที่แนะนำได้ด้วยสุขาปฏิปทาทันทาพินญาปฏิบัติได้ง่ายแต่รู้ได้ช้าหรือด้วยทุกขาปฏิปทาขีปปาพินญาปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วชื่อว่าวิปปิตัญญูบุคคลบุคคลที่แนะนำได้ด้วยทุกขาปฏิปทาทันทาพินญา ก็คือเป็นผู้ที่รู้ได้ช้าด้วยแล้วก็ปฏิบัติลําบากด้วยไปแบบลําบากรู้ได้ช้าชื่อว่าเนยญาบุคคลบุคคลสี่จำพวกแบ่งเป็นสามจำพวกดังนี้นะบุคคลสนีะ่นะั่นเอามาแยกเป็นสามนะก็คืออ่า้าสุขาปฏิปทาอ่าคิดปัญญาปฏิบัติง่ายเ น, นี่ยอันนี้ก็เป็นพวกปุกติตันยูนะแต่ว่าถ้าเป็น ทุขาปฏิปทาทันท า, าปิญญาเป็นฏิบัติง่ายแต่ว่ารู้ช้ากับทุกขาปฏิปทาขีปนาปิญญาปฏิบัติลําบากแต่ว่ารู้ได้เร็วอันนี้ก็วิปัสสเจกันอยู่แต่ว่าถ้าบุคคลปฏิปทุกขาปฏิปทาด้วยทันทาปิญญาด้วยรู้ช้าด้วยปฏิบัติลําบากด้วยนี่ก็เป็นพวกนยะคือบรรดาบุคคลเหล่านั้นวิปัสสนาที่มีสมถะนําหน้าเหมาะสําหรับ อุคติตันยูบุคคลพวกนี้ก็เจริญวิปัสนาสมถะนำหน้านะเจริญฌานก่อนนะแล้วก็วิปัสนาเข้าวิปัสนาเจริญวิปัสนาตาพวกนี้อุคติตันยูต้องเฉียบนะเพราะฌานนี่ทำให้เฉียบนะฌานนี้ทําให้รับปัญญาแล้วก็สมถะที่มีวิปัสนานำหน้าก็คือจะได้วิปัสนาแล้วก็จิตก็สงบ ก็สามารถที่จะเห็นแจ้งความเป็นจริงได้เหมาะสําหรับในย บ, บุคคลนะเหมาะสําหรับในย บ, บุคคลก็คือพวกที่อ่อนกว่าเขาทั้งหมดสําหรับสมถะและวิปัสนาคู่กันไปเนี่ยเหมาะสําหรับวิปจิตันยูบุคคลนก็คือพวกที่เป็นกลางๆนะต้องขยายความมากหน่อยอันนี่ก็ต้องเจริญทั้งสมถะวิปัสนาเป็นคู่ๆไปแต่สําหรับพวกวิปัสนา Nam น Na เนี่ยไอ้พววุทธวิปัสนาเจริญปัสนาเนี่ยนะ โดยสมรถานำหน้านี่ต้องเป็นพวกที่อุคติตันยูเข้าฌานก่อนนะเข้าฌานก่อนจเจริญสมรรก่อนอีกในหนึ่งการแสดงธรรมอย่างพราเหมาะสำหรับอุคติตันยูบุคคลก็คือแสดงแต่ย่อๆนะอุคติตอนยุสะมุตุกาธรรมเทศนาแสดงย่อๆก็สามารถรู้ได้ละ การแสดงธรรมอย่างกล้าเหมาะสําหรับเนยญาปุคนเนยสติกขาเดศนะต้องแสดงอย่างละเอียดยิบหมดเลยการแสดงธรรมอย่างเผาและกล้าเหมาะสําหรับอิปติตันยูบุคคลก็แสดงแก่พอประมาณทั้งกล้าทั้งเผาอธิปัญญาสิกขาเหมาะสําหรับอุคติตัญยูบุคคนอธิจิตติสิกขาเหมาะอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเหมาะสําหรับวิปปิตัญยูบุคคน อธิศีและสิกขาที่จิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเหมาะสำหรับในยบบุคคลบุคคลสามพวกนี้แนะนำได้ด้วยปฏิปทาสี่ดังพันานามาชะนิในข้อนั้นมีสังกิเลดังต่อไปนี้คืออากุศลมูลสามได้แก่โลภะโทสะโมหะอันนี้ก็เป็นหัวหน้าเลยนะต่อไปก็ทุจริตสามได้แก่กายทุจริตวจิทุจริ ต, 3, ร ต, ต, รตมโนทุจริต อกุศลวิตกษามได้แก่การมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอกุศลอกุศลลสัญญาสามก็ได้แก่กามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาวิปริตวิปริตาวิปริตตสัญญาสามกัญญาวิปริตตาก็ได้แก่นิจจสัญญาสุขสัญญาอัตตสัญญาอกุศลเวทนาสามก็ได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาอัุกรรมสุขเวทนาที่เป็นไปในอกุศลนะ ทุกขตาสามก็ได้แก่ทุกขตาอทุกขทุกนะทุกขะทุกขตาสามขาระทุกขตาวิปริณามทุกขตาก็เป็นใบโพธิของเวทนานั่นแหละอทุกขะทุกขตานี่คือทุกเวทนาวิปริณามะทุกขตาก็ได้แก่ทุขเวทนาสามขาระทุกขตาก็เป็นอตุกรมสุขเวทนาอคคิสามก็ได้แก่ไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะนะราคะคิโทสะคิโมหคิ ลูกศรนสามก็ได้แก่ราคะสันลังรูกสอนคือราคะโทสะสันลังลูกสอนคือโทสะโมหสันลังลูกศรคือโมหะชัดสามติดโสชตาได้แก่ชัดคือราคะราชัคชะตาชัดคือโทสะโทสะชตาราคะชตาโทสะชตาแล้วก็โมหะชตาชัดคือโมหะการพิจรารณาอกุศลสามก็ได้แก่ อกุสโูปริขาอกุสรูปริข า, า, าได้แก่กายกรรมที่เป็นอกุศลวจีกรรมที่เป็นอกุศลมโนกรรมที่เป็นอกุศลแล้วก็วิบัติสามก็ได้แก่ศีลวิบัติทิตวิบัติแล้วก็อาจารราวิบัติอันนี้ก็เป็นฝ่ายสังกิเลสตของพวกนี้นะพวกที่พิจรารณาโดยติปุกคละในเนี่ยหมวดสาหมวดสามเนี่ยนะในสังกิเลสนั้นก็ในหมวดสามทั้งหมดบทที่หนึ่งทุกบท ท่านจัดเข้ากับธรรมที่มีโลภะเป็นมูลบทที่สองทุกบทท่านจัดเข้ากับธรรมมีโทสะเป็นมูลบทที่สามทุกบทท่านจัดเข้ากับธรรมมีโมหะเป็นมูลโลภะโทสะโมหะนี่ก็เป็นมูลของทุจริตสาเป็นมูลของอกุศลและสัญญาสามเป็นมูลของวิปริตสัญญาสามเป็นมูลของเวทนาสามด้วยนอย่างเช่นโลภะก็เป็นมูลของสุขเวทนาโทสะก็เป็นมูลของทุกขเวทนาโมหะก็เป็นมูลของ อัตุคสกอัตุขมาสุกเวทนานะบุคคลทั้งสามนั้นมีโวทานความผ่องแผ่วนี้คือกุศลลมูลสามอันได้แก่อโลภาอโทสะอโมหะสุจริตสามได้แก่กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตกุศลวิตกสามได้แก่เนฆามวิตกอภิยาปาทวิตกอวิหิงสาวิตกสมาธิสามได้แก่สวิตตะกะสวิจาระสมาธิ อวิตรกะวิจาระมัตตสมาธิแล้วก็อวิตรกะอวิจาระสมาธิถ้าเป็นสวิตรกะสวิจาระสมาธิสมาธิที่มีทั้งวิตกแล้วก็มีทั้งวิจารก็ได้แก่อุปจารสมาธิคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็ปฐมฌานส่วนอวิตรกะวิจาระมัตตสมาธิก็ได้แก่สมาธิในทุติฌานนะทุติยฌาน ไม่มีวิตกแต่มีวิจารแต่ถ้าเป็นสวิตกะสวิจารสมารถมีทั้งวิตกมีทั้งวิจาร์ก็ได้แก่คณิกสมารถอุปจารสมารถแล้วก็อัปปนาสมารถที่เป็นปฐมฌานเท่านั้นส่วนอวิตกะอวิจารสมารถก็เป็นสมาธิที่ไม่มีทั้งวิตกไม่มีทั้งวิจารณก็ตั้งแต่ฌานสามฌานสี่แล้วก็ฌานห้าโดยปัญจกนัยนะกุศลสัญญาสามก็ได้แก่เนกขมะสัญญาอภยาปาธ า, า, าสาัญญาอวิหิงสาสัญญา อวิปรีตสัญญาสมก็ได้แก่อนิจาสัญญาทุกขาสัญญาอนัตตสัญญาการพิจารณากุศลสามก็ได้แก่ติโสกุศลูปริขาก็คือกยกรรมที่เป็นกุศลวัชิกรรมที่เป็นกุศลมโนกรรมที่เป็นกุศลความสะอาดสามอย่างเขาเรียกว่าโสเจยะความสะอาดทางกายกายะโสเจยะความสะอาดทางวาจากวัชิยโสเจยะความสะอาดทางใจก็มโนโสเจยะสมบัติสามก็ได้แก่ศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติ ถ้าเป็นวิบัติสีและวิบัติทิฏฐิวิบัติแล้วก็อาจารราวิบัตินะอันนี้เอาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาสิกขาสามก็ได้แก่อธิศีลสิกขาที่จิตและสิกขาที่ปัญญาสิกขาจริงๆแล้วสมบัติสามก็น่าจะเหมือนกันนะศีล ส, สมบัติทิฏฐิสมบัติแล้วก็อาจารสมบัตินะแต่นี้ก็เอากลายเป็นสิกขาสามไปเลยขันสามก็ได้แก่ศีละขนันสมาธิขนันปัญญาขานันแล้วก็ ปาฏิหแห่งวิโมกก็คือวิโมกขมุกสามได้แก่สุญญตะวิโมกอานิมิตะวิโมกแล้วก็อปะนิหิตตะวิโมกในโวทานแม้นี้บรรดาหมวดสามทุกหมวดบทที่หนึ่งทุกบทรวมลงในอะโลภะบทที่สองทุกบทรวมลงในอะโทสะบทที่สามทุกบทก็รวมลงในอะโมหะนะนะอย่างเช่นอ่ สุจริตสามกายะสุจริตก็รวมลงในอะโลภะวจีสุจริตก็รวมในอโทสะแล้วก็มโนสุจริตก็รวมในอะโมหอะอย่างนี้เป็นต้นนะต่อไปการละปะหาหนังบัณฑิตพึงทราบการละในบททั้งปวงว่าติกะที่หนึ่งในฝ่ายสังกิเลย่ยอมถึงการละด้วยติกะที่หนึ่งในฝ่ายโวทาน ติกาที่สองย่อมถึงการละด้วยติกะที่สองเหมือนกันก็คืออกุศลลมูลสามก็ละได้ด้วยกุศลลมูลสามสุริจอทุจริตทุจริตสามก็ละได้ด้วยสุจริตสามนะอกุศลสัญญาสามก็ละได้ด้วยกุศลสัญญาสามอย่างนี้เป็นต้นบรรดาในเหล่านั้นสีหวิกีลิตะในคือในสีหวิจิวิกีริตะในนั้นในที่ว่าด้วยเหมือนกับอาราชศรีเยื่องกลายเนะี่ย มีการอธิบายตั้งแต่ต้นดังต่อไปนี้บุคคลสี่บุคลบคลคือสี่พวกนั้นคนตัญหาจริ 2, ตสองได้แก่คนที่มีอินทรีย์อ่อนหนึ่งคนที่มีอินทรีย์กล้าหนึ่งแล้วก็ทิฏฐิจริตฝ่ายที่มีอินทรีย์อ่อนด้วยแล้วก็อินทรีย์กล้าด้วยกเ็เลยกลายเป็นสี่บุคคลบรรดาบุคคลสองพวกนั้นคนตัญหาจริตผู้มีอินทรีย์อ่อนย่อมแนะนำได้ด้วยทุกขาปฏิปทาธันทาปัญญา ปกตัหาจริตด้วยอินทรอ่อนด้วยเนี่ยนะมันก็ปฏิบัติได้ยากแล้วก็รู้ได้ช้าก็ต้องแนะนําแบบนี้ค่อนตัญหาจริตแต่ผู้มีเป็นผู้มีอินทรีกล้าย่อมแนะนําได้ด้วยทุกขาปฏิปทาขิปปาผิญญาพวกนี้ก็ปฏิบัติลําบากนะตัญหาครอบงาแต่ว่าเป็นผู้ที่มีปัญญากล้าอินทรีกล้าคือปัญญามีกําลังหน่อยหนึ่งก็เป็นผู้ที่สามารถที่จะบรรลุได้เร็วและจะมีกิเลกุ้มรุมแล้วก็ คนตัณหาจริต ผ, นะผู้มีอินทรีกล้านั้นนะนะออทุกขขาปฏิปทาจิปปาปิญญานะส่วนคนทิฏฐิจริตผู้มีอินทรีอ่อนย่อมแนะนําได้ด้วยสุขขาปฏิปทาทันทาปิญญาทันาท า, น า, นาปิญญาปฏิบัติได้ง่ายแต่ว่ารู้ได้ช้าคนทิฏฐิจริตผู้มีอินทรียกล้าย่อมแนะนําได้ด้วยสุขขาปฏิปทาจิปปาปิญญาปฏิบัติได้ง่ายแล้วก็รู้ได้เร็วทิฏฐิจริตมีชอบคิดคนเป็นผู้ที่มีปัญญานะ แล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีเกรบก้มรวมด้วยนะก็เป็นเรียกว่าตุกขาปฏิปทากิปาผิญญาบุคคลสี่พวกนี้มีสังขิเรทนี้คืออาหารสี่ก็ได้แก่กบริตาอาหารอาหารคือคำค่าภาษาอาหารอาหารคือภาษามโนสันเจตนาอาหารก็คือกรรมตัวเจตนานะวิญญาณอาหารก็คือจิตความรู้แจ้งอารมณ์วิปลาสวิปลาสสี่ ความเข้าใจคาดเคลื่อนได้แก่วิปราชในสิ่งที่ไม่งามว่างาวิปราชในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขวิปราชในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงวิปราชในสิ่งที่ไม่ใช่อัตราว่าเป็นอัตตาอุปาทานสี่ความยึดมั่นก็ได้แก่การมุปาทานความยึดมั่นในกามสิลปตุปาทานความยึดมั่นในสิ่งพรธิทิฏฐุปาทานความยึดมั่นกับทิฏฐิอัตวารุปาทานความยึดมั่นในว่าท่าว่าเป็นตนก็คือสกายะทิฏฐินั่นเอง โยคะสี่ก็ได้แก่กามโยคะความประกอบในกามความประกอบคือกามคือตัวปัญหาเพราะว่าโยคะความประกอบในภพก็คือติดในภพปัญหาที่ติดในภพนะกามโยคะนี่ปัญหาที่ติดในกามทิฏฐิโยคะเครื่องประกอบก็คือทิฏฐิอวิชาโยคะเครื่องประกอบก็คืออวิชชาความไม่รู้โมหะคันธะสี่ก็คือเครื่องร้อยรัดอวิชชากายะคันธะเครื่องผูกเครื่องไร้ดัชนี่นะ ปาโลพระพยาปาทากายะกันธอ ต, า, ตาปาทากายคันธะซึ่งถูกคือพยาบาทปรามาสกายะกันธะก็ศีระประตับประมาศอีดังสัจจา a พินิเวสก า, กายะันธะก็โพกิจทินะกิจ ท, ทินะสีระประตับประมาศกับอีดังสัจจา a นี่เป็นพิฐิเจิยสิกกล่าวว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่ายึดมั่นถือมั่นในความเห็นมากอาสุวติก็ได้แก่กามาสวะ พภาวะสวะทิฏฐาสว ะ, สวะแล้วก็อวิชชาสวะองค์ธรรมก็ตัณหาทิฏฐิโมหะสามอย่างเพราะวา่ากามสวะกับภาวะสวะนี่ก็คือตัวตัณหาแต่ติดในกามแต่ติดในภพโอคาสีก็ได้แก่กามะกามโมคะพระโวคะทิถโคะอวิชาอาวิชาอาวิชโชคะนะองค์ธรรมอันเดียวกันตัณหาทิฏฐิโมหะลูกศรสี่สัลละ ราคะสัลละาารร ล, ะกะรรละูกสองคือราคะโทสะสัลละลูกสองคือโทสะทิฏฐิสัลละลูกสองคือทิฏฐิแล้วก็โมหะสัลละลูกศรก็คืออวิชชาโมหะวิญญาณทิติสี่ก็ได้แก่รู ป, ปูปิกาวิญญาณทิฏฐอรูปอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณเวเดนูปิกาวิญญาณทิติ it, รูปอันเป็นที่ตั้งของอุกทัศเวทนาเป็นที่ตั้งของวิญญาณ สัญญาปิกาวิญญาณติติสัญญาณเป็นที่ตั้งของวิญญาณแล้วก็สังขารูปิกาวิญญาณติติสังขารอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณเพราะว่าเวลาที่วิญญาณเกิดขึ้นวิญญาณก็จะเอาสิ่งเหล่านี้แหละรูปเวทนาสัญญาสังขาร น, นั่นแหละเป็นอารมณ์นะคติสี่ก็ได้แก่ฉันทะคติโทสาคติพยาคติแล้วก็โมหคติอ่านี่ก็เป็นหมวด 4, สี่สิบหมวดหมวด 4, สี่สิบหมวดที่เป็นฝ่ายสังเลต ต่อไปท่านจัดหมวดสี่ทั้งหมดนั้นเข้ากับหมวดสี่แห่งวิปาัาสแล้วตั้งคาถาไว้ว่าโยเนติวิปัลาเสหิกิเลสในที่นำสังกิเลกับวิ ป, ปัาสไปเป็นต้นก็คือสองเคราะ์นในวิปัสสนาเนแหละถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรท่านจึงกล่าวหมวดสี่แห่งอาหารไว้ก่อนเพราะว่าอาหารนี้ไม่ใช่เป็นตัวสังกิเลนะแต่ว่ามันเป็นเหตุที่มาจากสังกิเลวิปัสสนาหนึ่นง ตอบว่าเพราะว่าเริ่มขึ้นจากอาหารนั้นนะเริ่มจากอาหารนั้นบุคคลต้องอาศัยอาหารนะจึงสามารถที่จะดํารงเป็นไปได้นะก็เริ่มจากอาหารบุคคลสี่พวกนี้มีววทานนี้คือปฏิปทาสี่ได้แก่ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอย่างหนึง่งปฏิบัติลำบากแล้วก็รู้ได้ช้าทุขาปฏิปทาขิปาพิญญาอย่างหนึง่งปฏิบัติลาบากก็รู้ได้เร็ว สุขาปฏิปทาทันทาพิญญาอย่างหนึ่งก็ปฏิบัติสะดวกแต่ว่ารู้ได้ช้าสุขาปฏิปทาขิตาพิญญาอย่างหนึง่งก็ปฏิบัติสะดวกแล้วก็รู้ได้เร็วสตวิปัฏฐานสี่ก็ได้แ ก, ก่การเจริญกายุปสนาสติปัฏฐานเวทนานุปสนาสติปัฏฐานจิตานุปัมมสนา ส, ส, สติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานฌานสี่ปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานจตตฌาน วิหารสี่ก็ได้แก่ทิพภวิหารพรหมรวิหารอริยวิหารแล้วก็อาเนนชาวิหารทิพภวิหารก็พวกฌานะฌานปกติถ้าพรหมรวิหารก็พวกอัตมัญญาสี่อริยวิหารก็พรัสสมบัติอาเนนชาวิหารก็อารมณสมบัติสี่สามะประธานสี่ก็ได้แก่สังวรประธานเอ่อเพียงระวังไม่ให้ไม่ให้อาุสนที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นประหารประธานเพียงละบ า, อากอคุสลที่เกิดขึ้นแล้วสังวรประทัอ่าขอโทษ ภาวนาประทานก็เพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็ประหานะขอโทษครับอนุรักษณาประทานก็รักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ไม่เสื่อมหายไปนะส่วนอัจฉริยะอัพพุต ธ, ธรรมทำเป็นที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีสีย่ยางก็ได้แก่มานัปปะหานางการลมานะการถอนอะไรอริยะสมุขาโตกาลาวิช า, าวิชาประหานางแล้วก็ความสงบระงับแห่งพบก็คือ พรอุปัสมโณนี่เป็นอัจฉริยะอปุตธรรมนะส่วนหมวดที่เจ็ดก็คืออธิษฐานอธิษฐานธรรมสอย่างธรรมะอันเป็นฐานที่มั่นคงอปัญญาอธิฐานอย่างหนึ่งจาระอธิษฐานอย่างหนึ่งจาระอธิฐานอย่างหนึ่งนะสัจจาอธิษฐานแล้วก็อุปสมะอุปสมะอธิฐานนะปัญญาจาคะสัจจาแล้วก็อุปสมะอันนี้เป็นอธิษฐานธรรมะที่ทำให้มั่นคง สมาธิสี่ก็ได้แก่ฉันทข้าสมาธิจิตตาสมาธิวิริยสมาธิวิมังสาสมาธิอันนี้ก็คืออะไรอิทธิบาทนั่นเองอิทธิบาทเป็นสมาธิที่เป็นไปในอิทธิบาทนะแล้วก็หมวดที่เก้าก็คือธรรมะเป็นส่วนแห่งความสุขจัตตารสุขะพากิยธรรมาสอยา่างได้แก่อินริยสังวรตบะโพชฌงแล้วก็การสลักธรรมทั้งปวงออกไปสัพพนิสโค สพานิสโคอันนี้เป็นธรรมะที่เป็นส่วนของความสุขนะอินทรีสังวรตะบะพวดชงแล้วก็การสลัดรำทั้งปวงส่วนหมวดสุดท้ายอปปามานสีอัป ป, า, นะ ป, ป า, านานี้ก็ได้แก่เมตตาอปปมานการุณาอปปมานแล้วก็มุทุตามุติตาอปปามานแล้วก็อุเบคาอปปามาก็คือพระมิหานนั่นแหละพรมิหานสี่นั่นแหล ะ, ม ห, 4, ห, ละหมวดสี่สิบหมวดนี้ท่านแสดงแล้วด้วยบทนี้ว่าอินทริเยหิด้วยอินทรีย์ทั้งหลาย เมื่อเจริญอินทรีย์แล้วทำทั้งปวงนั้นก็เป็นอันเจริญแล้วเหมือนกันปฏิปทาสี่เป็นปฏิปักษต่ออาหารสี่อสติปทานสี่ก็เป็นปฏิปักต่อวิปลาสี่ฌานสี่ก็เป็นปฏิปักต่ออุปาทานสี่วิหารธรรมสี่ก็เป็นปฏิปักษ์ต่อโยคะสี่สามะประธานสี่เป็นปฏิปักต่อคันทะสี่อัจฉริยะอภูตธรรมสี่เป็นปฏิปักต่ออาสวะสี่อธิษฐานธรรมสี่ก็เป็นปฏิปักต่อโอคะสี่ สมาธิโพนาสีก็เป็นปฏิปักษ์ต่อลูกศร ส, สีธรรมที่เป็นตัวในความสุขสีก็เป็นปฏิปักษ์ต่อวิญญาณติติสีนั้นอภิมัญญาสีก็เป็นปฏิปักษ์ต่อการถึงอกตสิสีนั้นในข้อนี้ความวิปลาสแห่งเทศนาย่อมละได้หมดทุกประการนี้เป็นสีห์วิกีดิตะในในที่เป็นเหมือนกับราชสีเยื้อกลายนะเพื่อจะตอบคำถามว่าก็ในเหล่านี้เป็นการแนะนําอัด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงทรงบัญญัติในเหล่านั้นอย่างไรเหตุนั้นท่านพระมหากัรเจนะจึงกล่าวว่าอัสะพระอาทีนวะนิสรณะภะรอุบายภะระก็คือผลแล้วก็อนัตอาณัต ก, ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ทําบัญญัติให้ทํานะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเทศนาหาระเพื่อพระโยคีทั้งหลาย เทศนามีหกย่างด้วยประการชนิดนะก็แสดงเทศนาหาระให้ใหฟังนะแต่ว่าหาระทั้งหมดจะมีสิบหกหาระนะท่านจะยกมาสักกี่หาระนะเดี๋ยวก็เอาไว้ต่อในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้ก็สมควรใชเวลาคอยท่านสาธชุนทั้งหลายได้ทั้งศรัทธาความเลื่อมใสทั้งได้สติปัญญาในการที่จะรู้อุบายในการที่จะสลับกิเลส ข, ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระสาวกทั้งหลายแล้วก็ น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามก็คือน้อมไปในการที่จะละบรรเทาขัดกล่าวกิเลสตัวทั้งสามารถที่จะไม่ลงเหลือกิเลสอยู่ในใจด้วยการทำปริญญาด้วยการทำปหาณนะะถ้าทำปริญญาปหาณนะก็ะชื่อว่าเป็นการเจริญกับเป็นการละนั่นแหละก็ขอให้เจริญด้วยกุตตระธรรมแล้วก็ละอกุตตระธรรมได้นดนจนไม่มีเหลืออยู่ในใจิตใจขอให้ได้ไรู้อริยสัจธรรมโดยการไม่เนื่นชาริเทินสาธุสาธุสาธุ